เรื่องพระฉัพพักขีดูมหรสพสมัยนั้นมีมหรสพ บ, บนยอดเขาในกรุงราชครึกพวกภิกษุฉับพักขีไปเที่ยวดูมหหรสพคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรทนาว่าชะไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตร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 หรือการบรรเลงดนตรีรูปใดไปดูต้องอาบัตทุกกฎ